ปวัสดีครับครับผมพอดีรับไม่ทันเมื่อกี้เร <laughs> ผมจะโทรปรึกษาเรื่องไข่ครับผมได้ครับคือตอนนี้ที่ที่ผมไปตรวจแกบอกว่าเป็นไข่ขาวบวบในไตครับคือที่ว่าแต่แต่ก็อาการตรง น, นี้มีความมี้ลดลงหมดครับอืม แต่ต้องต้องทานยาลัางยาวะละ12เม็ดนะแต่ผมผม อ, อยากปรึกษาว่าคลิปที่ยาที่ที่ททททออกที่ไหนอยู่ในยูทูบเลยมันครับยังไงครับตัวนี้มันไม่ใช่ยานะครับเป็นที่บำารุงใช่เป็นบำารุงเลือดบำารุงไตเรานี่แหละคือปัญหาตอนนี้คือไม่เลือดขาวมันไปกินไตทำให้ไตอักเสบ เราเกิดมีอโปรโตีนรั่วออกมาบางทีเขาเรียกว่าเขาก็เรียกว่าไข่ขาวอย่างที่หมอว่านั่นแหละแต่จริงๆมันก็คือโปรโตีนที่รั่วออกมาจากเลือดเรานะ่ะคือเลือดไตมันก็กองเลือดใช่ไหมครับคือไตบวมไตอักเสบเนี่ยมันก็กองไม่ได้แล้วมันเกิดรูรั่วแล้วตัวเนี้ยมันจะช่วยยับยั้งเม็ดเลือดขาวนะยับยั้งเม็ดเลือดขาวให้รู้จักหน้าที่ให้รู้จักการทํางานว่าการทํางานที่ถูกต้องนะ่ะ ควรจะทำอะไรเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ในการปกป้องร่างกายไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายแต่เม็ดเลือดขาวมากินเนื้อเราเองเนี่ยมันไม่ถูกต้องทีเนี้ยทานเจฟเฟอร์แฟกเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนานี้เนี่ยคือมันจะไปให้ข้อมูลกับเม็ดเลือดขาวของคุณนะว่าเออเนี่ยไตเนี่ยเนื้อไตเนี่คือส่วนของร่างกายเรานะอย่าไปยุ่ง เท่านั้นแหละคือพอเม็ดเลือดขาวมายุ่งกับไตมันก็จบแล้วอย่างเงี้บางทีเขาก็เรียกว่าโลกแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าแพ้เม็ดเลือดขาวตัวเองอะน ะ, อะเออนั่นแหละของผมก็ก็ช่วยตรงนี้แหละมี ต, ตัวเดียวในโลกตอนเนี้ยผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในโลกเป็น เ, ป, นเป็นแคปซูลหรือว่าเป็ น, ค, ปนครับเป็นแคปซูลครับผลิตจากอเมริกาชือ่อไม่มีผลเสียทับอะไรไม่มีเลยสบายใจได้เลยกินอย่างสบายใจได้เลยรับรองไม่มีผลต่อไตไม่มีผลต่อตับคือยาที่นิดลง ที่หมอให้มาเราก็กินปกติใช่กินปกติหยุดไม่ได้ยาที่หมอให้มาเนะี่ยมันเป็นสเตียรอยทีนี้ถ้าหยุดไปเนี่ยจะอาจจะไตาวายนีย่แย่เลยครับต้องรอให้หมอหยุดให้ต้องรอให้หมอหยุดให้ยาตัวนั้นอนะ่ะเดี๋ยวพอไตเราดีอะไรเราดีหมอก็หยุดให้อยู่แล้วหมอก็ไม่กินต่อนเนื่องอยู่แล้วครับที่ว่าเป็นเกี่ยวกับบํารุงที่นี่ว่าแนะนำมาเนะี่ยยังไงครับขายยังไงจังอ๋อมันมีขายเป็นชุดกับขายเป็นขวดอะนะ ขายเป็นชุดนี่ก็ก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงว่าซื้อหลายกล่องก็จะมีส่วนลดให้นะนะ <Yeah. S 1> คือขวดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทอันนี้รวมค่าส่งถึงบ้านเลยนะพันแปดร้อยเกาสิบแปดบาทแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็สี่ขวดสี่ขวดซื้อสี่ขวดห้าพันแปด้อยห้าสิบาทอันนี้ตกขวดละพันสี่ร้อยี่สิบห้าบาท <Yeah. S 1> อืมมีสองอย่างน่ะที่ขายมีชุดโปรกับไม่โปร เวลาทานทานหนึ่งก็ทานขวดอาหารหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับครั้งละเม็ดสองเวลาตื่นมากินเลยแล้วการเก็บเก็บธรรมห้องธรรมดาก็ได้ตู้เย็นก็ได้กระปุกหนหกสิบแคปซูลอ่าทานหนึ่งเดือนอ่ะเดือนละขวดอ่ะได้เดือนละขวดไอตัวที่เคยเคยทานมาเนี่ประมาณประมาณวุ้ยหายขาดเนี่ยมันต่อไม่ได้แต่ว่าขวดเดียวที่คุณกินเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออมันดีต่อสุขภาพทีนี้ มันจะต้องค่อยบูรณาการไปทุกส่วนของร่างกายเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ามาจดจ่อแค่ไตเราอย่างเดียวนะ ทุกส่วนของร่างกายเรานี่ที่มีความผิดปกติเม็ดเลือดขาวมันจะไปหมดเลยทีเนี้ยถ้ามันดีมันก็คือดีองค์รวมดีไปหมดเลยแล้วอาการข้างเคียงอาการที่เป็นอยู่ก็จะลดลงลดลงลดลงแต่ขวดเดียวนี่รู้เลยว่าเออเฮ้ยมันใช่ตอนมันดีต่อร่างกายเราะเนี่ยรู้รู้สึกได้เลยขวดเดียวเนี่ยแต่ว่าจะหายขวดไหนอันเนี้ยเราต้อง เพราะว่าปัจจัยของการเป็นโรคพวกนี้ความเครียดถ้าคุณเครียดมากมันก็รักษายากขึ้นคุณพักผ่อนน้อยมันก็รักษายากยิ่งคุณดื่มสุรามันก็ยิ่งรักษายากอันนี้มันตัวแปรมันเยอะไงปัจจัยของการหายเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่มันหลายอย่างเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าขวดเดียวเรารู้ว่ามันดีจากนั้นเราก็บำรุงไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะพวกนี้สามารถกินได้ตลอดชีวิตไม่มีอันตรายกินเสริมอาหารเราได้ วัดไม่มีมะเร็งไม่ถามหาคือช่วงนี้ตั้งแต่ก่อนในอะไรนะที่ของงดเราอืมที่ก่อนเข้าพรรษาผมเป็นเป็นช่วงช่วงก่อนเข้าพรรษาอืม ครับผมเป็นตอนนั้นผมเริ่มเป็นนะตอนนั้นดื่มอยู่ไหมไม่ดื่มครับก่อนก่อนก่อนภาษาเนี้ผมไม่ดื่มเลยคือง ด, ด, ดอะไรงดงดตั้งแต่ทานมาเลยเล่าลุงบุหรีอะไรหรืไม่บุหรีเนี่ผมไม่สูบแล้วอืคแต่ตอนนี้คือเล่าเล่าเบียอะไรคืองดหมดเลยพยายามออกกําลังกายเยอะๆอืมแต่พระขอนก็พระขอนเพียงพอครัมลูกลูกเล็กด้วยเนาะ เออเ h a r n e ให้เป็นเวลาไหมเวลาจะตื่นแล้วไงใช่ใช่ใช่ยังไงซิผมจะทดลองซกระปุกนะครับเาออื่สะดวกโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางครับ <c oughs> เก็บเงินปลายทางดีกว่าเก็บเงินปลายทางนะขอที่อยู่เลยครับคุณอะไรนะ <c oughs> ตำบลตุงยางคกนะปรงกับปอปลาอ๋อปรงปองปองปองปอง <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ปรงยางคกอ่า อำเภอห้างฉัดอำเภอห้างฉัดฮะฮะจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางหผมหาสองหนึ่งเกศูห้าสองหนึ่งเก้าศูนเบอร์โทรใช้ศูนย์แปดศย์ศูนย์แปดศูหนึ่งสามห้าหกศูนยีแปด ครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพอไปถึงน่าก็พันแปดก้าสิบปดบาทจ่ายกับคุณส่งเข้าเลยนะประมาณกี่วันนึงก็วันนี้วันศุกร์วันศุกร์พรุ่งนี้ก็อาจจะได้นะฮะห้างฉาดนี่อยู่ไกลจากลำปางมากไหมอืมไม่ไกลครับประมาณ โอ้งั้นพรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้เพราะว่าส่งคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโทรหาเราอยู่ไหนอยู่ตลาดอยู่ที่ทํางานอะไรก็บอกเขาเดี๋ยวเขาไปตามไปส่งอยู่ที่บ้านเลยครับผมไม่บ้านก็อยู่บ้านครับครับคเดี๋ยวทัวร์เขาโทรไปรับสายเสร็จก็บอกว่าฝากไม่บ้านไว้นั่นแหละถ้าเราไม่อยู่บ้านนะก็ให้ตังค์ไม่บ้านไว้จะรอจ่ายเขาเท่านั้นแหละครับครับประธานโทรได้อยู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดไหนผมอยู่อุบลอุบลเหรอครับ แต่ผมส่งเคอรี่นะครับอืมลองกินดูครับผลเสียมีอะไรทังอย่างไม่มีอะไรเลยดีสบายใจได้เลยว่าว่ากลองรับประกันได้รับรองรับประกันของอเมริกา่ะเสียชื่อได้ไงโอเคครับโอเคครับผมรอรับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ